จเจริญพท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่9ตุลาคมพุทธศักราช5 5 4เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณธรรม ที่ดีงามที่จะมาดูแลรักษาจิตใจให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุดโดยเฉพาะคุณธรรมที่เกี่ยวกับผู้อื่นคือมนุษย์เรานี้ต้องอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นกลุ่มเป็นก้อนต้องมีคนต่างๆที่เราเกี่ยวข้องด้วย ทั้งคนที่เรารักเราเคารพและคนที่เราไม่รักไม่เคารพเราก็ต้องมีวิธีการปฏิบัติกับคนทั่วๆไปให้ถูกต้องเพื่อจิตใจของเราจะได้มีความสุขและผู้อื่นก็จะมีความสุขไปกับเราด้วย มนุษย์เราถ้ามีคุณธรรมที่พระุธเจ้าทรงสั่งสอนให้เจริญอย่างสม่ำเสมอมนุษย์เราจะอยู่กันอย่างมีความสุขจะไม่มีปัญหาไม่มีการทะเลาะวิวาสไม่มีการแตกแยกไม่มีการทำร้ายทำลายกันแต่สังคมของโลกมนุษย์นี้ที่มีความ แต่แยกมีการทาร้ายทาลา ย, ลายประหัตประหารกันก็เพราะว่าไม่ได้เจริญคุณธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้เจริญนั่นเองคุณธรรมที่พระเจ้าทรงสั่งสอนให้เจริญนี้คืออะไรก็คือพรหมวิหารสีพรหมวิหารสีถ้าแปลความหมายก็คือ ที่อยู่ของพรงโพรหมนี้เป็นมนุษย์เป็นสัตว์ที่ประเสริฐเป็นเทศที่พวกเรามีความเคารพนับถือเนื่องจากพรมนี้มีคุณธรรมวิเศษอยู่สี่ประการด้วยกันคือหนึ่งเมตตาความรักความปรารถนาดีความมาความมีไมตรีจิตต่อผู้อื่น สอกรุณาความสงสาร 3. ามมุนิตาความยินดีในความสุขความเจริญของผู้อื่นและสีอุเบกขาการทำใจให้เป็นกลางให้นิ่งให้สงบไม่วุ่นวายไปกับเหตุการณ์ต่างๆ ท, ท, ที่เกิดขึ้น นี่คือคุณธรรมทั้งสี่ประการที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้พุทธศาสนิกชนหมั่นเจริญกันอยู่เรื่อย <c oughs> การเจริญ น, นี้ก็มีอยู่สองแบบด้วยกันคือเจริญแบบการทำการบ้านและการเจริญแบบเข้าห้องสอบมีอยู่สองส่วนด้วยกัน ขั้นต้นเราต้องเจริญแบบทำการบ้านไปก่อนเหมือนนักเรียนที่ต้องทำการบ้านเพื่อจะได้เตรียมตัวเข้าห้องสอบได้ถ้าไม่เตรียมตัวไม่ทำการบ้านเวลาเข้าห้องสอบก็จะสอบตกดังนั้นพวกเราจึงได้รับการสอนให้ทำการบ้านเช่นเวลาที่ เราว่ว้พระสวดมนต์แล้วเราก็แผ่เมตตาสัเพสัตตาอเวลาหงตุสัเพสัตตาอปยาปัชชาหงตุสัเพสัตตาอานิกาหงตุสัเพสัตตาสุขีอัตนาปวิหะรันตุแต่การสวดแบบนี้อย่างเดียวจะไม่ได้ผล เราต้องเข้าใจความหมายของการสวดคือเอาเวลาหงุดหนี้ท่านหมายถึงว่าไม่ให้เรามีเวรต่อกนและกันไม่ให้จองเวรกันให้อภัยต้องรู้จักให้อภัยเวลาที่เกิดการผิดพลาดหรือเกิดความเจ็บช้ำงำใจ ท่านสอนไม่ให้เราจองเวรกันเพราะการจองเวร น, นั้นจะทำให้มีเวรเพิ่มมากขึ้นไปดังในพระบาลีที่ตัดไว้ว่าเวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรแต่เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรดังนั้นเวลามีใครเขาทำอะไรหรือพูดอะไรที่ทำให้เราเกิดความเสียหาย ไม่ว่าจะทางใดทางทรัพย์สินทางร่างกายทางจิตใจเราต้องให้อภัยด้วยการแผ่เมตตาคือยกโทษให้กับเขาไปให้คิดว่าเป็นการผิดพลาดหรือเป็นเหมือนลิ้นกับฟันที่อยู่ร่วมกันย่อมมีการขบกันได้พวกเราอยู่ในโลกนี้ ย่อมมีการกระทำที่ผิดพลาดหรือตั้งใจก็จะเกิดความกระทบกระทั่งกันเกิดความเดือดร้อนได้แต่ใจของเรานี้ไม่จำเป็นที่จะต้องไปเดือดร้อนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถ้าเรารู้จักแผ่เมตตาด้วยการไม่จองเวรคือให้อภัย นี่คือวิธีการแผแ่เมตตาแต่เรื่องต้นเราต้องซ้อมไว้ก่อนคือเราต้องคิดไว้ล่วงหน้าก่อนสมมุติใครเข้ามาเอาอะไรของเราไปของที่เรารักของที่เราหวงถ้าเราไปโกรธไปแค้นอาฆาตพยาบาทใจของเราจะเป็นนรกขึ้นมาด้วยความแค้นด้วยความอาฆาตพยาบาทแล้วต่อไปเราก็อาจจะ ต้องไปทำบาปทำกรรมเพราะความโกรธแค้นจะทำให้เราต้องไปทำร้ายผู้ที่เข้ามาทำร้ายเราแล้วก็จะเกิดปัญหาเกิดโทษเกิดความเสียหายตามมาทั้งกับตัวเราและกับผู้อื่นแต่ถ้าเราเคยแผ่เมตตาซ้อมแผ่เมตตาอยู่เรื่อยๆพอเราอยู่ในเหตุการณ์จริงเราจะได้ หยุดได้หยุดความโกรธหยุดความอาฆาตพยาบาทได้พราะเราเห็นว่ามันไม่เป็นประโยชน์มันไม่เป็นคุณกับใครเลยกับตัวเราก็ไม่เป็นคุณกับผู้อื่นก็ไม่เป็นคุณแต่จะเป็นโทษกับเราก็คือใจของเราจะกลายเป็นนรกไปทันทีและเราก็จะกลายเป็นผู้ที่จะต้องไปทําบาปทํากรรม แล้วก็จะต้องไปรับผลบาปกรรมต่อไปอีกนี่คือการทำการบ้านในเบื้องต้นเราต้องพิจารณาสอนใจเราอยู่เสมอว่า mm hmm. การโกรธ mm hmm. การเกลียด mm hmm. การอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมนี้เป็นบาป mm hmm. เป็นต้นเหตุของการที่จะทำให้เราไปทําบาปเป็นนรกในใจของเรา เพราะารุ่มร้อนกินไม่ได้นอนไม่หลับส่วนการให้อาภัยนี้จะทําให้ใจเรากลายเป็นสวรรค์ขึ้นมา ท, าทันทีจะทําให้เรากลายเป็นเทพขึ้นมาทันทีเพราะเทพก็คือผู้ให้นั่นเองผู้ให้ถ้าให้อาภัยได้ก็เป็นเทพได้ใจก็จะสงบเย็นไม่รุ่มร้อน ควาสมสงบเย็นเป็นสุขของใจก็เป็นสวรรค์เป็นสวรรค์ทั้งในขณะที่เรามีชีวิตอยู่และเมื่อตายไปเราก็จะไปเป็นเทพไปสวรรค์ทันทีเพราะอำนาจของการให้อภัยของการไม่จองเวรจองกรรมนี่คือเรื่องของความเมตตาท่านแสดงไว้อยู่สี่ลักษณะด้วยกัน คือหนึ่งไม่จองเวงสองอาปชาปชาหงตุไม่เบียดเบียนกันไม่ทำร้ายกันไม่เอาความเดือดร้อนให้ไปให้แก่ผู้อื่นเช่นไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเณีไม่โกหกหลอกลวงไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่เสพสุรายาเมาเพราะการกระทำเหล่านี้จะเป็นการสร้างความทุกข์ สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นถ้าเราไม่ทําแล้วเราก็จะจิตใจมีความเย็นมีความสงบถ้าเราทําแล้วใจของเราจะรุ่มร้อนขึ้นมาด้วยความหวาดกลัวกลัวที่จะต้องไปใช้วิบากเช่นถ้าไปฆ่าผู้อื่นหรือไปลักทรัพย์ <c oughs> ก็จะต้องหวาดกลัวกับการถูกเจ้าหน้าที่ตารวจ จับเข้าไปขังในคุกในตารางต้องหลบซ่อนอยู่แบบไม่มีความสุขดังนั้นเราต้องไม่เบียดเบียนผู้อื่นด้วยการมีสีนหน้าส่วนอันดับที่สามก็คืออนิคาหหตกุก็คือให้มีความปรารถนาให้ผู้อื่นนั้นไม่มีความทุกข์กายทุกข์ใจ คืออย่าไปให้อย่าไปทำให้ผู้อื่นเขาเกิดความทุกข์กายทุกข์ใจขึ้นมาด้วยการกระทำของเราด้วยการพูดของเราและข้อที่สีก็คือสุขีอัตานาบปริหารังตุให้ส่งความสุขให้แก่ผู้อื่นคือเวลาเจอใครก็ยิ้มแย้มทักทายกันมีอะไรพอที่จะแบ่งปันให้กันได้ ก็ให้กันไปอย่างนี้เป็นการให้ความสุขต่อกันนี่คือเมตตาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราหมั่นเจริญกันให้มากมากเพราะถ้าโลกเหล่านี้มีความเมตตาแล้วโลกเราจะอยู่อย่างโลภเย็นเป็นสุขดังในธรรมที่แสดงไว้ว่าเมตตาเป็นเครื่องค้ำจุนโลก โลกเราจะอยู่อย่างสุขอย่างเจริญอย่างก้าวหน้าอย่างปลอดภัยก็ความเมตตานี้ไม่ใช่ด้วยการสะสมอาวุธต่างๆไว้ป้องกันอาวุธนี้มันไม่มันเป็นทั้งมันเป็นทั้งคุณและเป็นทั้งโทษอยู่ที่ผู้ครอบครองอาวุธถ้าผู้ที่ครอบครองอาวุธไม่มีความเมตตา ก็จะใช้อาวุธไปในการทำลายทำร้ายผู้อื่นดังนั้นการป้องกันที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ที่การมีอาวุธแต่มีเมตตาธรรมอันนี้ถ้าเรามีเมตตาธรรมต่อผู้อื่นแล้วผู้อื่นจะไม่คิดทำร้ายเราเพราะไม่มีไม่มีเหตุที่จะทำให้เขาอยากจะทำร้ายเราเหมือนกับเราเวลา ผู้อื่นเขาทําดีกับเราเราจะไม่คิดร้ายกับเขาเราจะคิดแต่สิ่งคิดดีกับเขาถ้าเรามีอะไรที่จะช่วยเหลือเขาได้ให้เขาได้เราก็อยากจะให้เขาเพราะเขามีความเมตตากับเราเช่นยกตัวอย่างบิดานารดาของพวกเราเป็นต้นท่านมีแต่ความเมตตาต่อลูกๆ ทำให้ลูกนั้นมีความรักมีความทคารมีความปรารถนาดีดอ บ, บิดามารดาผู้ใดก็ตามถ้ามีความเมตตาแล้วพระพุทธเจ้าท่งตรัสว่าจะเป็นผู้ที่เป็นผู้ที่รักของมนุษย์ทั้งหลายและเทวดาทั้งหลายผู้ที่มีความเมตตาจะอยู่อย่างมีความสุข ผู้ที่มีความเมตตาจะมีความสุขทั้งในขณะที่ตื่นและในขณะที่หลับนอนหลับก็จะไม่ฝันร้ายผู้ที่ไม่มีความเมตตาจะไม่ตายด้วยการถูกผู้อื่นฆ่าตายเพราะว่าไม่ได้ต่ทำให้ผู้อื่นเขาเกิดความโกรธความเกลียดความอยากที่จะฆ่านั่นเอง ดังนั้นขอให้พวกเราหมั่นทำการบ้านพยายามเจริญเมตตาภาวนาอยู่เรื่อยๆและเมื่อเวลาที่เราอยู่ในเหตุการณ์จริง mm. เช่นเวลาเราพบปะกับคนแล้วเขามีการกระทำอะไรที่ทำให้เราไม่พอใจ mm. เราต้องใช้เมตตา ท, ทันที ถ้าเราให้อภัยไม่ได้ถ้าเราทำใจให้สงบไม่ได้ไม่โกรธไม่อค่ากยจบาทไม่ได้ก็แสดงว่าเรายังสอบไม่ผ่านเรายังสอบตกอยู่แสดงว่าเราทําการบ้านไม่มากพอเราไม่เจริญไม่ระลึกถึงความเมตตามากพอถ้าเราระลึกอยู่เรื่อยๆเวลาที่ใครทําอะไรเรา ทมใ้เราไม่พอใจเราจะให้อภัย ท, ทันทีเราจะไม่ถือโทษก่เคือทงทันทีแล้วใจเราก็จะเย็นจะสงบมีความสุขนี่คือเรื่องของเมตตาธรรมซึ่งเป็นพรหมวิหารข้อที่หนึ่งพรหมวิหารข้อที่สองที่เราควรจะเจริญก็คือกรุณา การุณานี้แปลว่าความสงสารเห็นผู้อื่นตกทุกข์ได้ยากก็อยากจะให้เขาหายจากความตกทุกข์ได้ยากมีอะไรพอที่จะทำให้เขาหายทุกข์ได้ก็จะช่วยเขาเช่นในขณะนี้เรามีปัญหาเรื่องน้ำท่วมคนที่บ้านช่องถูกน้ำท่วมนี้ ย่อมต้องเดือดร้อนเพราะเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องอาหารการกินเรื่องเสื้อผ้าเรื่องยารักษาโรคเพราะบางครั้งไม่มีเวลาที่จะขนยายเข้าของต่างๆได้ทันเขาก็จะอยู่อย่างลําบากลําบนขาดอาหารบ้างขาดยาบ้างขาดที่อยู่อาศัยบ้าง ขาดเคือบนุ่มหอมบ้างถ้าพวกเรามีความกรุณาเราก็ต้องทิดช่ช่วยเหลือเขามีอะไรพอที่จะส่งไปได้ก็ส่งไปถ้าไปเองได้ก็ไปขนข้าวของปัจจัยสี่ไปช่วยเหลือกันอย่าไปหวังผลตอบแทนจากผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือ อย่าไปคิดว่าเขาไม่รู้จักกับเราขอให้คิดว่าเป็นการเข้าห้องสอบเป็นการเจริญคุณธรรมที่จะทำให้จิตใจของเราเป็นพรหงขึ้นมาเป็นเทพขึ้นมาด้วยการสงเคราะห์ผู้อื่นด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นเป็นการปฏิบัติธรรมเป็นการบูชาพระคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ เพราะพระพุทธเจ้านั้นไม่ปราถนาอะไรเป็นเครื่องตอบแทนจากพวกเรานอกจากการปฏิบัติบูบชาเพราะการปฏิบัติบูบชาตามพระธรรมคำสอนนั้นจะเป็นทั้งเป็นคณประโยชน์ทั้งกับตัวเราเองและผู้อื่นนั่นเองเราไปช่วยเหลือผู้อื่นถูงแม้เราจะสูญเสียข้าวของเงินทองไปบ้าง แต่เราก็ไม่เดือดร้อนเราจะมีความสุขและผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือเขาก็จะมีความสุขเช่นเดียวกันถ้าเรามีข้าวของเงินทองที่เราไม่จําเป็นจะต้องใช้แต่เราไม่เอาไปช่วยเหลือผู้อื่นเราเก็บไว้เฉยๆประโยชน์ก็จะไม่เกิดขึ้นเราก็ไม่ได้จิตใจก็ไม่ได้สูงขึ้น ผู้อื่นก็ไม่ได้รับความช่วยเหลือไม่ได้รับความสุขดังนั้นเวลาที่เรามีข้าวของเงินทองที่มีมากเกินความจำเป็นพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราเอาไปทำทานอย่าเก็บเอาไว้เพราะไม่เป็นประโยชน์กับใครถ้าเราเอาไปทำทานแล้วก็จะเป็นประโยชน์ทั้งกับตัวเราเองและแก่ผู้อื่นใจของเราก็จะสูงขึ้น จากมนุษย์ก็จะเป็นเทพเป็นพรมขึ้นไปเมื่อตายไปเราก็จะไปสู่สุคติแต่ถ้าเราไม่ทำเราเอาข้าวของทิ้งไว้เก็บไว้ก็จะกลายเป็นของคนอื่นไปเราตายไปเราก็จะไปแบบขอทานเพราะเราไม่ได้สะสมสเสบียงไม่ได้สะสมทรัพย์ภายในไปนี่คือ เรื่องของความกรุณาคือความสงสารเราไม่ต้องเลือกว่าเป็นใครทั้งสอนว่าสัพเพสัตตาสัพเพแปล ว, ว่าสัตว์ทั้งหลายัทุกทุกคนไม่ว่าใครก็ตามคนที่เรารักหรือไม่ก็ตามคนที่เรารู้จักหรือไม่ก็ตามถ้าเขาเดือดร้อนเขาต้องได้รับการช่วยเหลือดูแล เราก็ต้องช่วยแม้กระทั่งเป็นคนที่ไม่ดีเช่นเป็นโจรผู้ร้ายถ้าตำรวจจับหรือยิงเขาให้ได้รับการบาดเจ็บก็ยังต้องเอาส่งเขาไปโรงพยาบาลก่อนไปรักษาตัวเขาก่อนก่อนที่จะส่งขึ้นศาลเพื่อตัดสินคดีต่อไปหรือแม้แต่สัตว์เดรัจฉานเช่นงูพิษ ถ้าเขามีการเจ็บไข้ได้ป่วยก็สามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้เพียง mm hmm. แต่ต้องรู้จักวิธีที่จะทำได้อย่างปลอดภัย mm hmm. คือต้องขังเขาไว้ในกรง mm hmm. และมีวิธีป้องกันไม่ให้เขากัดเรา mm hmm. เวลาที่เรารักษาเขา mm hmm. เมื่อเขาหายแล้ว mm hmm. เราก็เอาไปปล่อยในป่าออกไป เพราะชีวิตของคนทุกคนของสัตว์ทุกตัวนี้มีคุณค่าสำหรับเขาเหมือนกันหมดชีวิตของเรามีคุณค่าอย่างไรชีวิตของเขาก็มีคุณค่ากับเขาเช่นเดียวกันดังนั้นเราจึงไม่ควรทำร้ายทาลายกันเราควรที่จะสงเคราะห์ช่วยเหลือกันตามอัตภาพตามความเหมาะสม นี่คือเรื่องของพรมวิหารข้อที่สองคือความกรุณาข้อที่สก็คือมุทิตาความมีความสุขมีความดีใจมีความยินดีชื่นชมไปกับความสุขความเจริญของผู้อื่นเช่นเวลาคนได้ดิบได้ดีได้รับตําแหน่งได้เคลื่อนขึ้นเงินเดือน คนที่เขามีมุติธาจิตเขาก็จะเอาดอกไม้ไปให้ไปแสดงความยินดีหรือไปเอาข้าวของไปหรือไปตัวเปล่าๆก็ได้ไปแสดงความยินดีชื่นชมกับเขาเพราะว่าการมีมุธิธาจิตนี้จะทำให้เขามีความสุขและเราก็มีความสุข พาเราชื่นชมมีความสุขไปกับความความเจริญของเขานั่นเองในทางตรงกันข้ามถ้าเราไม่มีมุริตาจิตเราก็จะมีความอิจฉาริษยาได้เราก็จะมีความทุกข์ใจขึ้นมาได้เวลาที่เราเห็นคนอื่นเขาได้ดิบได้ดีแล้วเราไม่ได้ดิบได้ดีเหมือนกับเขาเราอยากจะ ได้ตำแหน่งเหมือนกับเขาแต่เราไม่ได้พอเขาได้แทนที่เราจะรู้สึกเฉยเฉยหรือรู้สึกดีใจเรากลับจะต้องมาเสียใจโดยใช่เหตุทั้งๆ ท, ที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเราเลยเพียงแต่เกิดขึ้นกับคนอื่นถ้าเราไม่มีความความชื่นชมยินดีกับผู้อื่น เราก็จะเกิดความเสียใจน้อย อ, อกน้อยใจเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแต่ถ้าเรามีมุนิตาจิตเราก็คิดว่ามันเป็นบุญของเขาเป็นผลบุญของเขาเป็นความดีของเขาที่เขาได้ทำมาเรายังไม่ได้ทำความดีเท่าเขาหรือทำบุญเท่าเขาหรือยังไม่ถึงเวลาของบุญของเราที่จะส่งผล เราก็ต้องรอไปก่อนเขาได้บุญของเขาเราก็ควรจะชื่นชมยินดีไปกับเขาแล้วเราก็จะได้ไม่ทุกข์ใจไม่น้อยใจไม่เสียอกเสียใจไม่อิจฉ า, าิษยาไม่ไปคิดทำร้ายไปกั่นแกล้งผู้อื่นเราก็จะรักษาความดีความเป็นมนุษย์ของเราไว้ได้ เราเจะได้ไม่คิดเป็นแบบเดราาัจฉานคิดที่จะทำร้ายผู้อื่นนี่คือพรหมวิหารข้อที่สาก็คือมุทิตาขอให้เราชื่นชมยินดีกับความสุขความเจริญของทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นคนที่เรารู้จักหรือไม่เราชอบหรือไม่เป็นเป็นหน้าที่ของเราถ้าเราอยากจะทำใจของเราให้สงบ ให้มีความสุขถ้าเกิดเราไม่มีมุนิตากับคนที่เราเกลียดเราก็จะเกิดความโกรธแค้นโกรธเกืองอิจฉาริษยาสร้างความทุกข์ใจให้กับเราโดยใช่เหตุดังนั้นเราต้องมีมุนิตาแก่ทุกๆคนเรียกว่าสัพเพสัตตาพระพุทธเจ้าสอนว่าไม่มียกเว้นสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เขามีความสุขความเจริญนี่คือความคิดที่เราควรจะมีอยู่ในใจของเราควรจะซ้อมคิดไว้ก่อนคิดถึงคนที่เราไม่ชอบแล้วเวลาเขาได้ดิบได้ดีแล้วถามตัวเราว่าเราชื่นชมยินดีไปกับเขาได้หรือเปล่าถ้าเรายังชื่นชมยินดีไม่ได้ก็แสดงว่าเรายังไม่สามารถ ยกจิตใจของเราให้สูงขึ้นได้ให้เป็นพรมขึ้นมาได้เราจะต้องวนเวียนอยู่กับการเป็นเดรัจฉานหรือเป็นเป็นสัตว์นรกเพราะเราไม่สามารถที่จะสร้างคุณธรรมที่ดีที่งามขึ้นมาภายใ น, ในใจของเราได้ดังนั้นอย่าไปทิดว่าการชื่นชมยินดีในความสุขของผู้อื่นนั้นเป็นประโยชน์กับผู้อื่นอย่างเดียว แต่มันเป็นประโยชน์กับเรามากกว่าเพราะเราจะพัฒนาจิตใจของเราให้สูงขึ้นได้นั่นเองส่วนข้อที่สก็คืออุเบกขาอุเบกขานี้ท่านหมายความว่าให้เราทำใจสงบนิ่งเป็นกลางอย่าไปวุ่นวายไปกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นหรือที่จะเกิดขึ้น แต่เราไม่สามารถทำอะไรได้เช่นเมื่อกี้มีคนถามว่าปีสองพันิสองโลกจะแตกหรือเปล่าถ้ามันจะแตกเราก็ทำอะไรไม่ได้ถ้ามันจะไม่แตกเราก็ทำอะไรไม่ได้เพราะมันเรื่องของโลกเขาเรื่องของธรรมชาติใจของเราอย่าไปทุกไปวุ่นวายกับเรื่องที่เราทำอะไรไม่ได้เราต้องรู้จัก ทำใจให้เป็นอุเบกขาทำใจให้นิ่งให้สงบด้วยการเจริญปัญญาที่ทรงสอนว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้เป็นอนัตตาคือไม่ใช่ของเราไม่ใช่สิ่งที่เราสามารถควบคุมบังคับสั่งให้เป็นไปตามความปรารถนาได้ไม่ว่าจะเป็นวัตถุหรือบุคคลต่างๆ เราไปสั่งให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้เราไม่สามารถสั่งให้คนที่เรารักให้อยู่กับเราไปตลอดไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายได้เวลาที่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือจะต้องตายไปถ้าเราไม่มีอุเบกขาเราจะทุกขทรมานใจไปโดยใช่เหตุไม่เกิดประโยชน์อะไร เพราะความทุกข์ทรมานใจของเราไม่ได้ไปรักษาโรคภัยไข้เจ็บหรือป้องกันไม่ให้เขาตายได้นั่นเองแตะ่จะทำให้จิตใจของเราตกต่ำมีความเศร้าหมองมีความทุกข์ทรมานใจไปโดยใช่เหตุดังนั้นเราต้องหมั่นเจริญปัญญาที่พระเจ้าทรงสอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มีการเกิดและจะต้องมีการดับไปเป็นธรรมดาไม่มีใครสามารถไปหักห้ามได้ไม่มีใครสามารถที่จะไปป้องกันได้เพราะนี่คือความจริงของโลกนี้มีเกิดต้องมีดับแม้แต่โลกที่เราอยู่นี้สักวันหนึ่งก็จะต้องหมดสภาพไปตามกฎของอนิจจังคือความไม่เที่ยงตามกฎของอนัตตา ก็คือไม่มีใครสามารถที่จะไปยับยัง้งไปหยุดไม่ให้เกิดขึ้นได้แต่สิ่งที่เราทำได้ก็คือเราสามารถยับยัง้งป้องกันไม่ให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาได้ถ้าเรามีอุเบกขาทำดังนั้นเราควรที่จะเจริญอุเบกขาซึ่งเบื้องต้นการจะทำให้ใจเราเป็นอุเบกขาได้ก็คือการทำสมาธินี่เอง เราต้องฝึกทำสมาธิอยู่เรื่อยๆนั่งหลับตาสวดมนต์ไปนึกพุทโธไปหรือดูลมหายใจไปอย่าไปคิดถึงเรื่องโลกแต่เรื่องของคนนั้นตายคนนี้เจ็บไข้ได้ป่วยอย่าไปคิดถึงเรื่องอะไรให้อยู่กับพุทโธหรืออยู่กับการสวดมนต์หรืออยู่กับการดูลมหายใจข่าออกแล้วใจของเราจะได้ว่าจะได้ปล่อยวางชั่วคราว จะมีความสุขชั่วคราวในขณะที่ใจอยู่ในสมาธิแต่ถ้าใจออกมาจากสมาธิแล้วก็จะเริ่มคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ท่านก็ให้เราเอาปัญญามาสกัดให้มาถ้าจะคิดว่าโลกจะแตกหรือไม่แตกก็ให้ใช้ปัญญาว่าที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าโลกนี้มันต้องแตกแน่นอนเพียงแต่เราไม่รู้เมื่อไหร่เท่านั้นเอง มีการเกิดก็ต้องมีการดับและเราไม่สามารถที่จะไปหักห้ามได้ไปป้องกันได้ให้คิดอย่างนี้อยู่เสมอไม่ว่ากับเรื่องอะไรก็ตามเวลาเรากลัวว่าสิ่งนั้นจะเกิดก็บอกไปเลย ว, ว่ามันต้องเกิดช้าหรือเร็วเท่านั้นเช่นเราจะเจ็บไข้ได้ป่วยเมื่อไหรน่นี้เราต้องเจ็บแน่ๆเพียงแต่ว่าช้าหรือเร็วเรื่องของความตายก็เช่นเดียวกัน เราก็จะต้องตายอย่างแน่นอนไม่ช้าก็เร็วให้คิดอย่างนี้เรื่อยๆแล้วใจของเราจะได้ปล่อยวางถ้าปล่อยวางได้ใจของเราก็จะเป็นอุเบกขาจะไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนกับเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี่คือคุณธรรมสี่ประการที่พระเจ้าทรงสอนให้สัตว์โลกทั้งหลายได้จเจริญกัน ถ้าอยากจะอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงท่ามกลางการเกิดการดับของสิ่งต่างๆแต่ใจของพวกเราทุกคนจะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายไม่ทุกข์ทรมารเพราะใจเราไม่ได้อยู่ในโลกนี้ใจเราเป็นเหมือนอยู่อีกโลกหนึ่งแล้วมองเข้ามาในโลกนี้ใจเราใช้ร่างกายนี้เป็นเครื่องมือ ติดต่อกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกนี้เวลาเกิดอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายก็จะเกิดขึ้นกับเพียงแต่ร่างกายไม่ได้เกิดขึ้นกับใจเหมือนกับคนที่ควบคุมหุ่นกู้ระเบิดเวลาเขาส่งหุ่นกู้ระเบิดเข้าไปกู้ระเบิดถ้าเกิดระเบิดขึ้นมาหุ่นก็จะถูกทำลายไปแต่คนที่ควบคุมหุ่นนั้นจะไม่เป็นอะไร เพราะไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นั่นเองใจของเราก็เช่นเดียวกันใจของเราไม่ได้อยู่ในโลกนี้ใจของเราอยู่อีกโลกหนึ่งแต่มีการเชื่อมต่อด้วยพลังจิตด้วยกระแสจิตผ่านทางร่างกายทำให้ใจเรารับรู้เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกนี้ได้แต่เนื่องจากใจเราไม่รู้ว่าเราไม่ได้อยู่ในโลกนี้ mm hmm. ก็เลยเกิดความกลัวขึ้นมาโดยใช่เหตุ อย่มีพระพุทธเจ้านี่แหละที่ทรงรู้เป็นพระ อ, องค์แรกทรงรู้ว่าใจไม่ได้อยู่ในร่างกายไม่ได้ตายไปกับร่างกายไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายไม่ได้เป็นอะไรไปกับโลกนี้ใจของพระพุทธเจ้าจึงไม่เดือดร้อนนี่คือสิ่งที่พวกเราถือว่าเป็นโชคเป็นบุญเป็นวาสนาที่ได้มารับรู้เรื่องนี้ เพราะถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาไม่มีพระพุทธเจ้ามาสอนพวกเราก็จะต้องทุกทรมานไปกับการเกิดการดับของร่างกายของโลกนี้ไปทุกพบทุกชาติเพราะเราจะต้องไปเกิดต่ออกีกไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเราไม่รู้จักแยกใจของเราออกจากร่างกายออกจากสิ่งต่างๆปล่อย ว, วางสิ่งต่างๆไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ เช่นพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ทั้งหลายท่านรู้แล้วว่าสิ่งต่างๆนี้มีแต่ความทุกข์เพราะมีเกิดมีดับนั่นเองท่านจึงเลิกไปยุ่งเกี่ยวท่านจึงเลิกที่จะกลับมาเกิดเพราะเมื่อกลับมาเกิดแล้วก็ต้องมาทุกข์กับการแก่การเจ็บการตายกับการพัดผ่าจากกันนั่นเองนี่คือเรื่องของพระพุทธศาสนาที่สอนให้เรา อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข ด, ด้วยการเจริญพรหมวิหารสี่คือเมตตากราุณาบุดิตาอุเบกขาถ้าพวกเราสามารถเจริญปฏิบัติได้จิตใจของเราจะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขไปตลอดอนันตการการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ ขอคุณพระศีรัตนตรัยและบุคกุศนที่ท่านทั้งหลายได้มาบงเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญแค็งแกราดปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากันเธอ